วันนี่สมาชิกายไปเยอะพระเนรไปช่วยงานทำวาราณลบมาที่สิบยกสิบเจ็ดลงพ่อยังไปไม่เราพอพรุ่งนี้มารืนมีงานมีนันช่วงนั้นงานสเยอะงานของพระทำพระเสร็จก็ทำพระปอง ไม่เคทักกับทักก่อนน้ังคนจะเป็นงานเผาศพปูส่สมบูรณ์พ่เสียไปไม่กี่วัน94ปีคุณติดเตียงมานานปูส่สมบูรณ์ทันปูตืตอร์ทันลูกปุรีธรรมทะลุแต่ว่าทัน อยู่แบบเรียบเรียบงานงานเราพึกเสียไปก็ต้องมาเหมือนกับวัดเดียวกันคุณพระพุทธที่ไม่ค่อยมีรับสักการะไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ก็อยู่ได้ตั้งเก้าสิบปีเก้าสิบกว่าปีก็ต้องไปช่วยกันงานของพระยี่สิบกยี 7, ่ิบเจ็ดทำมาป่องไม่กี่วันก็เป็นงานของเราแล้ะ ตอนไี้คนน้อยเราน่าจะพู ด, ดน้อยๆทำเยอะๆคิดน้อยทำเยอะเริ่มต้นที่เราตัวนึกถึงคุณของพระธนรมจิตในี่สำคัญก่อนที่เข้าสู่ในภาคปฏิบัติก็อมจิตเรืถึงคุณของพพุทธเจ้าคุณของพระธรรม รือคำว่าอริยสมเป็นภาษาเราๆท่านๆลองมาตั้งคําถามว่าคุณถึงผู้เจา้ามีอะไรที่ผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้สอนที่ขาดตกปกพร่องตลอดระยะเวลาสี่สิ้าปีในเพจของบรณชิต ก็คือเป็นพระทำไมนับสีสบหปีก่อนนับต้องแท่ที่ตัดสรุไม่ได้นับตอนออกบวชนับตั้งแต่ตัดสรุมาคำถามว่าเราเมอนนีอะไรบ้างที่พระเจ้าไมนไดสอนเก็บเอาเป็นอยู่ของชีวิตของเรายืนเดินนัง่งนอนหูตาจมูกเล่นกายใจ ตรงไหนทีูุ่จจามันไม่ได้ บ, บอกไม่ได้สอนกำมังตารางกระสาหมีพระธรรมตรงไหนแต่มันไม่เป็นรธรรมอ่ายกเวน้นความเข้าใจว่าพระธรรมคือใจพิ đ กพระธรรมคือกฎระเบียบปฏิบัติธรรมธรรมชาติคําถามตรงไหนทต่มันไม่เป็นธรรม คือไม่เป็นธรรมะสังฆังตนังก็จามีพระสงฆ์ตลอดระยะเวลาสองพันกว่าปีมานี้ที่ครองจารีดประเพณีปฏิบัติสืบต่อกับเกือบสูญหายหลังจากสังขยาาแล้วพระ้าโสามหารากได้ต้องเป็นคนของท่าน เฉพาะสายบ้านเราแล้วก็สายอือ่นๆที่ตั้งข้าวสายที่ส่งไปนี่คือคนของพระอาศรมหาราต์เพราะนั้นแต่เคยเราเสมอพระเจ้าโสมหาราตถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างแม้แต่ในหลวงของเราเช่นเดียวกันเพื่อให้การบำรุง ป, ประโยชน์ซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงก่อนที่เป็นนพระเจ้าโสมหาราตเราไม่พูดถึง หลังจากนั้นก็บรุรุษหาสัจจาธิราชของบ้านเมืองเราได้จเจริญรอยตามตั้งแต่สุลไทยเป็นต้นมาดูได้จับตำรับตำราที่แต่งสื่อให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างประเทชาติบ้านเมืองาศาสนามันแยกกันไม่ได้เช่นใจภรมพระร่วง ไปอย่างแกอธิบายระหว่งศาสนากับความเป็นอยู่คือความผูกพันของชาวบ้านดยงนี้เปนตนนั้นอันนี้คือใจศราสนาที่เราจะต้องนึกนึกถึงอังสองคือศีลศีลที่เรมีเอาศีลที่เป็นสิขาบทยังไม่ต้องศีลยังไม่ฟงปฏิบัติ ให้สิขาบทลรประกออะไรบ้างสัวในภาพปฏิบัติมันทั้งเป็นห่งมันเป็นสินอัตโนมัติอยู่แล้วทำไมถึงเน้นสองอย่างสองคำนี้ก่อนเพราะนี่คือพื้นฐานในด้านของจิตใจของเราในเมื่อเรายังไม่หมดไม่พ้นก็ยังเวียนยังว่างตายเกิด อ, อยู่อย่างนี้ ก็เพื่อเป็นหลักประกันเากลับมาอีกทีกลับมาเพื่อต่อยอดเพื่อสร้างบารมีเพื่อบําเพ็ญบุญไม่จะ ก, กลัมาอีกทีเราไม่ได้ประโยชน์ไปอย่างไรเลยนพระพุทธศาสนอันนี้ยังหนักขึ้นอีกเพราะว่าจะเป็นตัวชี้วัดตัวชีว้นี่และทางศาสนาอื่นๆอันนั้พวเราถือวโชคดีทํานั้นให้เราลึก มันเป็นอนุสติอยนี้อยู่เสมอกระสีลานุสติพุทธานุติธรรมานุสติ ส, สังขารจารานุสติซึ่งที่เราจะต้องสละเสร็จแล้วนะโยโคโ น, น้อมนึกถึงคุณที่เรามีตัวมีตนเป็นเราเป็นเขาตลอดยึดว่าเป็นเราเป็นเขาทุกวันนี้มันมีทุนาที่ไป ก็จะถามที่มาเันเป็นยังไงที่ไปเป็นยัได้ที่มาก็จะลืมที่ไปมันเปที่มาที่ไปที่มาของพวกเราคนนี้ก็เพราะเรายังอยู่ในอยูในภพคือกรรมมาภพรูปภพรูปภพก็มากรรมภพเราก็จะวนกันอยู่อย่างนี้แล้วที่ไปถ้าเรายัง คิดอยู่ก็ดีพูดอยู่ทำอยู่ก็ดียังเกี่ยวข้องกับผู้นี้อยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้พรันพูะเจ้าเรารวบรวมโดยฉบับย่อๆก็คือก็ดูตัวเราอบตัวเราคือตัวไหนที่ว่าเราที่เราขันอ ะ, อะไรคือเราอะไรคือ เพราะคำว่าเราเขาเขามาจากคำอุปทานเกิดการยึดการถือว่าเราว่าเขายึดอยากอยากแล้วก็ยึดดูแล้วมาพูดสั่งถ้ามีความอยากมันก็มีความยึดอยากในสิ่งไหนก็ยึดก็บสิ่งนั้นแล้วก็จะทกเพราะสิ่งนั้นโดยที่เราสติสับปะรดอยากตามไม่ทันไม่สามารถตัด ได้ทันคือตัวใครรู้เท่าทันความหยากความยึดของตัวเองมันจะเป็นวิธีการตัดอย่างน้อยก็คือวิธีการตัดตัดพบตัดชาติชาติอือการเกิดเนี่ะบรรทอนลงย่อลงให้มันน้อยลงในเกิปดปฎิมาสรุปก็คือ ที่เราไม่ไปไหนมาไหนก็เพราะเราไม่เห็นตัวเราเองเห็นแต่คนอื่นคนอื่นดีชั่วตัวดํำขาวยังไงเห็นหมดรู้หมดแต่ตัวเองไม่รู้คือประเด็นเพราะการปฏิบัติต้องการของเราเห็นมันรู้ได้ไงไมันเห็นจะเห็นว่าหลายวันด้วยกังเอาเฉพาะประมวล ชาวเขาชาวเราชาวเขาคือต่างชาติไลยวันไดบันม า, มาเกือบทุกวันชาวเรารือพวกเราเนี่ยแหละเมื่อเปิดโอการให้ถามเราจะได้รู้ความคิดความสงสัยหรือปัญหาที่มีอยู่มันคือ สรุปก็คือที่ถามมาเกินเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนตไม่เกี่ยวอะไรกับตัวรเองคือไม่เกี่ยวคนถางแต่มนจะไปเกี่ยวข้งของกับคนอื่นฉันรู้ว่ามาทางนี้มาทางนี้คือปฏิบาาัติธรรมคือขวัดของธรรมจำเส้นทาวนาะเสร็จแล้ว ก็อยากให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคือเจตนาดีอยากให้มาทางนี้บ้างคำถามคือทำอย่างไรตจนให้เขาเหล่านั้นมาปฏิบัติธรรมให้ได้มันเป็นคาถามธรรมดาพื้นเพราะนั้นคนที่ถูกถาม มันก็ต้องหาเอาีตอบอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4นี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าหลวงพ่อตอบมบอกว่ามันเป็นคำถามที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราน่าจะลืมเลยไปอย่างที่ชิดทีพูดที่มาทั้งหมดเข้าใจเข้าใจความรู้สึก แต่เราจะเอาแค่ความรู้สึกตัดสินมันไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเอาความรู้สึกของตัวเองดึงคนอื่นตัดสินคนอื่นโดยเหตุด้วยผลไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังจะให้คนอื่นเปลี่ยนเลยพูดง่ายๆคืออยากเปลี่ยนคนอื่น เหมือนอย่างที่เราคิดคิดแบบเปลี่ยนอย่างนั้นปรับอย่างนี้ทำอย่างโน้นแล้วมันจะดีอันนี้ความคิดของเรานะแต่มันมีผลต่อคนอื่นเป็นความคิดของเราแต่เราอยากปรับเปลี่ยนคนอื่นให้เหมือนกับเราเนี่ยนั่นคือปัญหาถามาพูดง่ายๆถ้าพูดอีกผู้โยอะตรงๆภาพรวมก็คือเราอยาก ควบคุมกำกับดูแลคนอื่นให้เหมือนกับที่เราคิดเราพูดเราทําเมื่อมันไม่ได้อยากที่เราคิดอยากที่เราพูดอยากที่เราทํานั่นคือว่าทุกข์ะอึดอัดขัดเคืองแล้วใครทุกขเราเขาไม่ได้ทุกขอะไรเลยเรากับทุกข์เห็นไหมผลของอยากนี่ คนอื่นต้องใช้คำว่าอยากนะอยากมันก็คือตัณหาแต่เราไม่รู้ไงไม่มีสติตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วมันไม่มันไม่ได้มันไม่มีมันไม่เป็นอย่างที่เรคิดพุดทธธรรมนี่คือตอน้นตอของความวาทุกขนะ์ที่พระเจ้าสอนต่อริยสัจสีนะ่เราก็สามารถที่จะเอาอริยสัจสีเป็นกรอบความคิด ได้ทุกเครื่องนี่ก็ตัวอย่างนึนงที่เอาอญญายะสตรีเป็นตัอาออที่มันทุกเรื่องกับภาะวะเรานะ่อยากเปลี่ยนแปลงคองอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดคำพูดหรือการกระทําถามว่าดีไหมอืแต่ถามทาได้มั้ยมันก็ไม่ได้ทั้งหมดเอาเท่าที่ได้ให้ดีที่สุดคือต่างคนต่างเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนี่คือคำถามเพราโดยสรุปก็คือไม่ได้ถามว่าปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นปฏิบัติเป็นนี้แสดงว่าเรายัางไม่ได้ผลในการปฏิบัติมันจึงไม่มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วมันก็ประโยชน์มันก็น้อยแต่ก็าจาเป็นที่ต้องตอบเพื่อเกิดความเข้าใจ เพระนั้นปัญหาของพวกเราพวกเรากือตัวเราเองน่ะมันมเยอะแยะมากมายมันนับไม่ได้คือเขาบอกกิเลสปัญหา 108. ตานาล้อยแปดอนนี้มันนับไม่ได้เปัญหาของตัวเราเองปัญหาเกิดจากความคิดคำพูดการกระทําของตัวเราเองที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็ยังหาทางตอบไม่ได้หาทงางออกไม่ได้ เห็นร่างการปฏิบัติบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการตอบปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเองถามเราตอบอะไรได้บ้างอืเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับที่ตัวเองคิดแล้วพูดแล้วมันพิษอัดอขัดค้องคิดว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเองต้องย้ำเรื่องของตัวเอง ส่วนกับคนอื่นถ้าคิดว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดแค่นั้นก็แปลว่าเราทำดีที่สุดแล้วผลออกมาอย่างนั้นเราก็ยอมรับคือยอมรับความจริงฝันหน้าที่ของเราเองคือยอมรับความจริงก็คือสัจจานี่แหละถ้าเราไม่ยอมรับความจริ ง, รา ม, า ม, ร ม, รงมันก็จะเป็นสุท้ายกระทุก ความจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันป่วยง่ายคือปัญหาของเรามันไม่เหมือนกันยุคเจ็ดยุคที่มันนวันนี้เจตทางถามกันมาทั้งหมดก็จำเป็นจะ ต, ต้องตอบที่มันเป็นปัญหาแต่ให้ดีดที่สุดคือเราพยายามที่จะําอตอบด้วยตนเองที่หลวงพ่อเกิด น, นำมาเบื้องต้นว่า มีอะไรบ้างที่พระเจ้าไม่สอนหรือคนลืมสอนมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าคือประกอบไปด้วยพระปัญญาที่คณพระบริสติที่คณพระมหาการณาที่คนนี่คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อลักษณะนี้เกิดขนเราก็นึกถึงว่าเราเอาเอาคุณสมบัติของพระเจ้ามาใช้คือพระปัญญาที่คณบริสติที่คณมหาการณาที่คณ เราต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เพืจะพร้อมที่จะรองรับหลักธรรมคาสอนของผู้จ้าอย่างแท้จริงไม่งั้นไม่ได้ที่จะรับคําสอนของผู้ย่าได้อันนี้คือข้อหนึ่งประพระปัญญาที่คุณปัญญาของผู้จ้ามีลักษณะอย่างไรทางทางกว้างโปรง่ายขนแนวกว้างแนวลึก ก็เป็นภาษาชาบานชาบานในกวางสุดขอบจั ก, กรวาลแนวลึกแนวสูงใต้ขอบจั ก, กรวาลบนก็เปอึทั้งบนและล่างโดยมนุษย์เป็นสนยนกลางมีอันไหนที่พูะเจ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจในศาสตร์นี่คือภาพปัญญาของพระเจ้าซึ่งต่างกับสาวกหรือผู้คนทั่วไปอย่างพวกเราเจ้าค่ะ พระบริสุทธิ์คุณใจของพระองค์นั้นมุ่งไปที่เนในยศคือแมตาแมตาไม่ไมีตรงนต่างกันคำว่าไม่มีประมาณคือไม่มีสุดต่างกับพวกเราแมตาของเราเราม่มีแต่แมตาของเรามีประมาณคือจากัด เช่นเมตตาตัวเองเมตตาคนรอบข้างหรือสัตว์ของเลี้ยงที่เราชอบนอกนั้นเมตตาไม่ได้พูดง่ายคืออาภัยไม่ได้ปะภัยไม่ได้คือทําให้มันมีภัยไม่ได้มันก็เป็นเผาซชื่อต่าอกับพระเจ้าความเมตตากับพระองค์ไม่มีที่สุดไม่มีกันนะคือไม่เลือกเฉพาะเจาะคนคนสัตว์โลกนี้โลกหน้า เม็ดศัตรูไม่มีไม่มีประมาังของอินดูก็เช่นเดียวกันความสงสารไม่เช่นเดกันไม่มีประมาณแล้วก็ไม่เคยอิจฉาตา่างรรู้ทางรู้บางอย่างรู้แล้วก็ไม่เห็นประโยชพูดได้ครับพูดไปแล้วมันเป็นประโยชน์รู้ว่าพูดไปแล้วคนรับฟังไม่สามารถจะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันก็ไม่มีประโยชน์เช่นพระองค์เห็นเปรต จะพูดไปคนเตอร์คนเชื่อมันก็ดีแต่คนไปเชื่อมันก็มีนี่คือตัวอย่างครับคุณจ้าควการโปร่งจะไปโปรดใครต้องพร้อมคนนั้นต้องมีความพร้อมมันถึงได้ผลพลังความพร้อมเบื้องต้นก็คือมาจากนี้เดีย๋ยเราพูดไปเบื้องต้นนั่นคือคุณสมบัติของจิตของเราคือพระตรัตนัตใจเราต้องมั่นคงในพระรัตนัตใจเราจะไปพบไหนชาติใดก็าตาม ยึดอาพระรัตตรยเป็นหลักคือที่พึ่งเป็นหลักหลังจากนั้นปฏิบัติตัวตามกรอบสิ่คือชีวิตไม่ได้มาชีวิตมาแล้วใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าว่าไปใช้ชีวิตแทมนเป็นโทษคือไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหรือไม่รู้จักใช้ชีวิตเลยก็ปล่อยปะละเลยชีวิตไปจนหมดวัยหมดเวลาหมดอายุไข ก็ดับไปแต่ว่าจิตตัวนั้นให้มันจำมาที่สิบปีสี่สิบปี้ากเก้าสบว่าปีโดยประมาณเท่าเรามันก็จะจำขอพุทธมันที่เป็นต้นทุนที่ไปต่อข้างหน้าเหมือนกลับมาถามาพีเ่เด็วของพทธเจ้าของพวกเราถือว่าเป็นบุคคลที่เราคนระลึกนึกถึงคุณอุปการของพระองค์ พระธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าผู้จะไม่เปิดไม่เผยสื้อแจงสแสดงเหินเรงตามหลักความเป็นจริงพระธรรมชาตะคือธรรมชาติหรือกฎกติกาที่มันอยู่ที่ฎกฎของการกระทําหรือฎกฎแห่งกรรมนัเองกฎแหงความเสมอภาคหรือกฎแห่งใจรักนั่นเองซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่มีใครตั้งกฎแห่งกรรม กดหัวใจลักอย่างนี้เป็นต้นเอาแค่สองอย่างถ้าตอบอะที่เรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติผู้ะพุทกพยายามที่จะย้ำว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องมีปกติอย่างนี้มาช้านานซึ่งไม่เหมือนกกฎที่เราเรียนรูเช่นกฎของน้องทวงกฎพิสิก กฎเคมีนี่เป็นต้นเป็นคนที่ตั้งชื่อเชขึ้นมาส่วนกดอันนี้เป็นกฎความเป็นจริงไม่เกี่ยวกับเชืช้อชาศาสนาใดๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตมีวินอย่างของก็จะเหมือนกันหมดอัในได้ใครเืีอดรอกเหนือประสิงหรอกเปลนคือเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง ก็เราไม่เห็นกฎใจรักนั่นเองเราจะเรียกกันมาอิทัพพยาปเจตาหรืออะไรครับแล้วแต่มันก็คืออันเดียวกันคือตัวนี้พระอุบาจานทร์ล้นหลังพยายามจะลงว่าพุทธทานก็พยายามอธิบายในกฎอิทัาปเจตากเคืออันเนี้ยก็เราจะขอไม่รู้อาไปชาปัญยาสร้างข้าวขอไม่รู้คือต้องเกิดสังขารของรูปร่างนึกคิดตกแต่งไม่มีสังขารมีรู ป, ม, รปมีร่าง มันก็พูดมาอานไงคือเวทนาเสยัญญาต่ญงาเอาวิชาปียาสังขราชังขยาววิญญาณนังเกิดความรับรู้วิญญาณนั้งปยิญาตาิธรรนามะรู ป, ปังเกิดนามรูปเกิดรูปเกิดนามวันจันทรนั่ตามมาเป็นพภวนเลยก็พบเกิดชาติยึดเกิดถือสุขทุกตา ม, มาเป็นกระบวนการ มนเลยแบบาเป็นกระบวกนกาอันนี้คือเส้นทางชีวิตของพวกเราที่ที่เราเริ่มมีชีวิตแต่ว่าก่อนนั้นนั้นยังไม่ต้องพูดถึงก่อนที่มีชีวิตก็คือพบตามมาพบอัั้นมันยิ่งใหญ่กวา้างคิดยังไงคิดนี้ออกนี่คืสติปัญญาของพวกเราแต่พระองค์พยายามที่จะบอกสิ่งเหล่านี้โอหลังจากหมดชีวิตแล้วคือหมดอายุไขัยแล้วมันก็จะเป็นไปตามพบก็คือกามมาพบ รูปประอบอาตุปประบถ้ายังอยู่แบบอย่างนี้อยู่คือยังไม่เหนือสิ่งเหล่านี้คือจิตยังไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ยังใช้สิ่งเหล่านี้อยู่มันก็จะกลับไปมาไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนศาสนาใดก็ตามก็จะเป็นอย่างมันจะเรียกว่าชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะศาสนาของเราเป็นาศาสนาที่ไม่ได้อิง เทพเจ้าทเทพบิยายเป็นอัตถวานิยมศาสนาสื่อื่นก็อิงเทพบเจ้าททั้ทงหลายเลยของเราไม่มีมีของพวกนี้ออันนี้คิดที่รู้ควแตกต่างเพราะนั้นการที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วทั้งหมดมอกอยู่ในตัวเราตัวเราจะเรียกว่าตาสีกันห้านะเราก็ยังไม่เข้าใจ เพาะถ้าสี่กันห้าตัวตนทแท้จริงเมื่อไม่เขย่าก็ไม่ใช่ตะกี้ทําลายซึ่งเหล่านี้ได้คือไม่ไม่ทําลายสียงของนะั้นคือเขาเรียกก็ไม่ทาําละยอาวิชาด้ก็สิ่งที่เไม่รู้นั่นแหละนี่ธรรมอาวิชาเพราะว่าไม่รู้ธรรมะไม่รู้นะี่จะนี่หมายถึงมุ่งไปที่ไม่รู้ธาตุสี่ขันห้าเริ่มต้นจากการทําหน้าที่ของมัน เรื่องวจับสัญญาคือจำจำได้ไหมรูกแม้แต่ความจำมันก็จำไม่จริงเพราะนั้นหลวพอจะพูดสองคำที่ผ่านมาทั้งหมดหนึ่งก็คือความจำสองคือความจริงทุกวันเราอยู่กับความจำมากกว่าความจริงก็คืออยู่กับสัญญาความจำได้ไหมลูแต่เรามไม่ได้อยู่กับความจริง ความจริงก็จะเป็นอย่างงั้นการเปลี่ยนแปลงตลอดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนพันธุแปรผันอยู่ตลอดเวลานั้นของความจริงแต่ความจําเราอีแบบจนเราน้กงถึงผลไม้นึกถึงก็คือความจำนั่นแหละใช้วิธีคิดอ่านเป็นความเช่นมังโวงลําไยสมโอเป็นต้นเออเนี่ยมันกินได้มันอร่อยแต่เราทิ้งไว้สักพัก สามวันนะครับวันโดยมันเลยมันกินได้มันไม่ได้มันไม่กินไม่ได้มันก็เป็นประจานสภาพก็คือคอยนานมันก็เน่ามันก็เสียจากเดิมที่จําว่าเออมันกินได้มันอร่อยพอผ่านไปสักเจ็ดวันมันกินได้เราคิดไม่ถึงเจ็ดวันเราคิดก็เห็นปุ๊บก็กินเออมันอร่อยกันนั้นพอมันเน่ามันเสียคิดไม่ได้อันนั้นคือความจริง ตัวมันเน่ามันแสดง ค, คำจริงแต่ความจำเราคือมันน่ากินเหมือนกับรูปร่างกายของเราความจําก็คือมันน่ารักให้น่าพอใจหว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอันนี้คือความจําความจริงคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาชาติชาราคือข้ขางาก็แปลว่ามันชารามาตลอดแต่เรามองไม่ สระพยาธิตัวท้ากมามรณะก็คือตายอันนี้คือต่อมมชักเรานี่คือความจริงแต่ความจําของเราอยู่แค่นี้จำว่าสวยงามน่ารักน่าใครน่าปล่อใจเพราะฉะนั้นจึงคําถามมาที่เดิมก็คือว่าทุกวันนี้ต้องตอบถามทุกวันนี้เราอยู่กับความจํามากกว่าความจริงความจำก็จะการเรียนรู้รู้สัญญา ความจริงต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเห็นคือปัญญาตรงนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นความจริงเมื่อไม่เห็นความจริงก็ได้แค่ปริยัติก็คือสัญญาหรือความจําจําได้หมดหัวข้ออัดของข้อทำํำสูตรทั้งหลายหลงจําได้หมดนั่นคือความจําสุดท้ายเราก็ใช้ชีวิตอยู่ยเนี้ยอาศัยแบบ ความจําไปวันๆความจํานั้นมันมีทั้งสุขและทุกข์และก็เฉยๆความจําแล้วก็เราจะอยู่กับความสุขความทุกข์ที่เฉยนั้นอย่างไรในเมื่อเราปัญญามันไม่เกิดกับไปกับสุขกับมากับหลงกับมันทุกข์กับมากับพรอยจะร้อนกับมันว่างไม่ได้ตัวเฉยๆนี่อารมณ์ที่เป็นเฉยๆเราต้ึกถึงสมาธิที่มันเฉยๆได้เพราะมันกดไว้เฉยๆด้วยกําลังของสมาธิ มันกดไว้มันให้สใหม่ทุกเคยไม่ให้รู้สึกให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆโดยกาลังของการสมาธิเพรอจิตถอนออกมาก็เหมือนเดิมจิทถออาสติเรน่องเหมือนเดิมเหมือนที่เราเป็นๆอยู่ทั่วไปแตเ่เรานั่งมันก็กดเอาไว้ทับเอาไว้แต่ออกมาก็เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ก็อยู่กับจําคืออยู่กับปริสัมอยู่ก็ปฏิบัติเอออาจจะเข้าใจอ่โอ้เหมันมันอยู่ได้ มันไม่เอาสกไม่เอาทุกแดนเพราะมันเป็นกลางมันทับเอาไว้ okay. มันกระลุงอย่างน้อก็คิดได้คิดได้ด้วยตัวเองแล้วเรียกว่าปัญญาแต่เนี้ยปัญญาตอนเนี้ยมันมันไม่ได้เกิดทุกวันแต่สัญญานะ่ะมันมีทุกวันเราก็ไม่สามารถที่จะทําลายตัวสัญญาคือความจําจําได้ไมัยรู้สุดท้ายแล้วก็อยู่กับความจํา จะมาเห็นนี่ปุ๊บก็ชอบเห็นนี่ปุ๊บก็ไม่ชอบแต่ไม่รู้ว่าทําไมเพราะอะไรไม่รู้นั่นคือคํ า, อาว่าเอาไว้ชอมันนึกขึ้นไม่ได้นั่นคือเขาไม่มีสติรู้ความหมายแต่เราถ้กขึ้นมาได้ดยนึกได้บ้างมาได้บ้างมาไม่เป็นไรขอให้เรานึกบ้างอันนั้นก็แล้วนี่ตัวตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาถ้าบอกสามตัวถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว มันก็มาสอนจิตที่เป็นจิตงงงมันกโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็อวิชานะไรเงี้มันจะได้ดูว่า อ, อย่างนี้มันเป็นฉลาดคนฉลาดเขาคิดอย่างนี้นะคนฉลาดก็พูดอย่างนี้คนฉลาดก็ทําอย่างนี้จิตมันจะได้รับรู้กับคนที่ไม่ฉลาดมันคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้จิตมันก็จะรับรู้ใช่ไหมกุศลกุศล ค, คือฉลาดการนั้นจิตกุศลมันก็เกิดขึ้น จะอาคุศนเกิดขึ้นมันก็ละได้ปานะเกิละเกิดละมันได้ภาวนากระทั่ให้มันเจริญกระทั้งมันดีขึ้นคือทํากุศลนั่นแหละให้มันชึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นจิตคำบางใช้ก็เรียกว่าภาวนาคําว่าภาวนามมนที่เปลวาหลับง้อหลักตาลืมตาก็ภาวนาได้ถ้าเกิดปัญญาคือถ้าดีขึ้นถ้าเจริญขึ้นกระมาณแต่ว่าเนื่องจากเราลืมตา มันไม่สามารถที่จะทําได้ทุกคนทุกเวลาทุกสื่การสื่อเพราะมันมีเหตุปจัจจัยที่มากระทบเร็วผัดสะมันจะจิตมันจะส่งออกไปข้างนอกอย่างที่หลวงปู่ดุลวา่า่ถ้าเราปิดตาเสียเพียง ใ, ใจอย่างเดียวก็วจิติดเป็นาการจิตตั้งการคือภาพภาพภายในของใจภาพในของจิตคือพบกุชาตินั่นเลยถ้าเราไม่ภารนาไม่เข้าใจสิ่งนี้ยังไงก็ไม่เข้าใจโด ย, ยเฉพาะจริง นั่งไม่แต่ไหลจิตหมืกับโอบะนอกนี่แหละคือไม่อยู่บ้านคือไม่อยู่ในร่างกายของตัวเองเป็นอย่างนี้ตลอดกดดึงกับไปกลับมาดึงกับไปอย่างมาเนี่ยโดยอดีบททัสี่ยืนเดินนั่งก็ต่อสู้กันอย่างนี้เดินี่กเรียกว่าการภาวนาสำหรับถ้าเราออกจากสมาธิหรือว่าปิบอดยืนเดินนั่งป้าจากสติแล้วมันก็ลำบากจริงๆสติมันใช้ได้ทุกคือยา่าโบด อยู่เว้นนอนหรือว่าหลับหลับไปแล้วสติมันก็ทางร่างกายมันก็ไม่มีอลไรก็มันไม่รับรู้คือมันไม่รับรู้ <c oughs> ร่รางกายอยู่ภาษาที่เองเพราะมีมภาษา <c oughs> ในขณะที่มันต้องมีพรษามันก็อยู่องค์รวมอยู่ข้างในแล้วเพะวังค่าพระหวังค่าภาวะอังคะก อ, องค์แห่งพระแห่งชาติความหมายจะมีเครื่องหมายนิเมิตก็คือฝันนิเมิตก็คือภาพรูป นั่นคือไฟมันก็อยู่แค่นั้ตอนหนั้นก็ตัวพบชาติได้จริงไม่เกี่ยวกับร่างกายหรอกไม่เกี่ยวกับร่างกายอันเไม่เกี่ยวกับดินน้าไฟลมเข้าอว่าร่างกายมันไม่เกี่ยวแล้สมมติตอนนั้นหมดลมเมื่อไหร่ลมมันก็คไม่ออกเมื่อไหร่สภาพมันก็เป็นเด่นเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมแต่จิตมันไม่ได้อยู่ต่อแค่นั้นมันไปต่อเองพออย่นงเราอยู่ปุมาปุไม้ฟังโอเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้ว มันเรียนว่าอยู่เยนี้เวียนว่าอะไรเป็นว่านในภพในชาติเวียนว่าในรูปภพรูปภพอรูปภบเราก็ไม่เข้าใจเลยทีเดียวมันจะตัดภบตัดชาติจะตัดยังไงมันจะตัดได้ยังไงในเมื่อความคิดกับพูดการกระทำของเรายังวนไปเวียนมาอยู่ที่เดิมเรื่องเดิมไม่เป็นโกรธมาก็ยังไม่เข้าใจว่าโกรธอะไรโลภมาก็ยังโลาไม่ได้ หลงคือโมหะมันก็ยังครอบงำอยู่อย่างนี้นะตอนวนทั้งหมดทั้งรอบทั้งโกดทั้งหลงเนี่ยมันก็เพื่อร่างกายกเพื่อรูปอันนี้แหละกลับมาที่เดิมทำรูปนี้คืออะไรถ้าเข้าใจทร้งสดแล้วมันก็คือดีน่าไผลงมันก็จะเข้าใจมันก็จะวางเป็นการตั้งการเปิดออนอวยู่วางคือตัวที่กำจัดอุปาทานเองอุปทานการยึดการถือ แต่มันเข้าใจว่าอ๋อแต่มันอันนี้มันคือดิง่งอันนี้คือน้ำนอนี้ก็ไปอันนี้คือลมอย่างที่เราเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังมันก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นโดยเฉพาะเยอนนเข้าใจคำว่าขันอันนี้มากขึ้นนะแต่เละวันแต่ว่าต้องต้องเห็นทุกวันเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันหลงกับสิ่งเหล่านี้มานานาสิ่งเหล่านี้มันมันหลอกเรามานาน พูดยังไงเขามานันหลอกลนะเรานาเขาไม่รู้เพราะว่าแค่บางทีมหลอกเพาไม่ฉลาดไม่ฉลาดคืออกุศลคือจิตมันเป็นอกุศลมันไม่เป็นกุศลคือมันไม่ฉลาดอ่ะเหมือนฝนก็เคนฉลาดต่างกันอย่างไงเราลองนึกออกอ๋ออันนี้คือตตววะว่าทําไมในชีวิตปัจําบันของเราจะต้องพยายามให้นึกถึงคนของผู้ดีเจ้าคุณของพระธรรมคนพระ อ, อริยสงฆ์ไว้เพราะว่า สิ่งที่ดีที่สุดเลคือสา ย, ย่างตอนนั้นไม่มีสิ่งที่เราเพิ่งได้จริงก็คืออันนี้ตอานั้นเพิ่งเมีคืออาศัยไม่ได้อาศัยได้เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแม้แต่พวกระซับที่เรามีอยู่มากน้อยก็ตามสุดท้ายมันเป็นที่เพิ่ง อ, งอะไรของเราไม่ได้มันก็จะชาได้เฉพาะมันก็จะเจ็บตาย เาลอางจันทร์มันก็ใช่เลย ไ, ไม่ได้มันเลยได้ซับข้างในซับภายในที่ทุกคนพยายามสร้างสะสมบางบา ง, บางขึ้นมาถ้าไม่มีตัวนั้นก็มดสภาพกลับมาได้ไม้มกลับมาได้ครับกลับมาจะไม่เหมือนเดิมมีท่าสี่กันห้าเหมือนกันจ ะ, จะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนี่คือข้อแตกต่างเพราะนั้น คนอื่นไม่ตื่อื่นเขาอยากมาอยู่อย่างพวกเราอยากเป็นอย่างพวกเราแต่เป็นไม่ได้เขาเป็นปเพีเยแต่ไปเสวยไปสวยเท่านั้นคือมีแค่ธาตุสีไม่ได้มีขันห้าครบอย่างเรานีน้แค่ขันสีไม่ได้มีขันห้าอย่างเราขันห้าที่มีอยู่คือรูปเนี่ยมันอาศัยเกิดจากความจํามันนึกได้นึกขึ้นมาได้ไโดยปรางเหมือนเราฝันมันจึงไม่สามารถจิะตอนาการ ทั้งหมดอธิได้ความหมายเพราะนั้นโลกมนุษย์ของเราจึงเป็นโลกที่ประเสริฐที่สุดโดยเฉพาะความเป็นค น, นก็เป็นมนุษย์แต่ไปอยู่ที่อื่นพิที่พิธางเอาอ่าะโดยเฉพาะไปหลายที่เนี่ยคําถามก็จะเป็นประมาณนี้พระดังกระยาฝากพวกเราคพืเป็นแนวแนวึกแนวคิดแนวปฏิบัติว่าใหเราเห็นตัวเอง เป็นความดีความไม่ดีความตัวเองอย่าไปดูเรื่องของคนอื่นมันไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าต่อให้ดูตั้งแต่เกิดจนตายมันก็ไม่ได้อะไรเลยกระท้ายก็คือสิ่งทั้งหมดที่มันมีจีมันเป็นมันก็เหมือนกันทั้งโลกมันไม่แปลกตอนน่อให้เราอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีมันก็เห็นอย่างนี้แหละถามว่าเห็นแล้วได้อะไรกันมา เขเสียเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีเฉยๆเจ็บพบเสียชาติเฉยๆทำเลยแต่ถ้าเห็นตัว เ, เอง20นาที30นาทีโอเือวดีก็จะได้เห็นความดีความดีความปกคล้องที่ได้ใครัแบบปุงพัฒนาเพิ่มขึ้นให้มากขึ้นคือเห็นใจตัวเองการภาวนาทั้งคันนี้แลการเราเห็นตัวเราเองอนนตรงไหนที่บกขาดปกคร่องเช่ น, นสินสมาธิปัญญาซึ่งสามตัวเนี่ย ถ้าใครยังไม่มีไม่มีทางยี่พัฒนาได้นา่นเครื่องมกกือเครืองมือในการพัฒนาก็คือนี่คือศีลคือสมาธิคือปัญญาจึงเรียกว่านี่คือหนทางเรียกว่ามรรคเป็นหทางที่เราจะต้องเดินบนเส้นนี้แต่เรายังไม่มีศีลไม่มีสมาธิต้องดจำว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่รู้นะไปรู้กับไม่เหงาคนละเรื่องกัน แปลว่าเราเรายังไม่มีหรือไม่มีแต่มีน้อยปัญหาอย่างวนี้ทุกคนมีปัญญาหมดแต่ปัญญาที่มีอะมันยังน้อยทุกคนก็มีศีลแต่ศีลอย่างว่าทุกคนมีสมาธิหมดแต่สมาธิใ น, นมันน้อยพูดว่างคือพลังหรือว่ากําลังกําลังของสมาธิกําลังของปัญญาตันนี้ก็ศรัทธาเวริยะสติ สมาธิปัญญานี่คือกําลังถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็คือไม่มีกําลังเหมือนคนไม่มีกําลังก็คือไม่มีเรื่องมีเบร์เรียงทำอะไรได้มีถ้าเสียกันห้าเหมือนพวกเราเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยพอก็ได้หายไปหมดมันไม่มีกําลังไม่มีพลังคือกําลังของใจมันถดถอยกันไยหมดเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยนี่ถ้า ถ้าใครไม่เจอด่หนักก็จะไม่รู้รู้เวทนาถ้ามันกำเริบถ้ามันมาหนักมาแรงๆนะโอ้โลกนี้ไม่มีที่อยู่เวทนาเนี่นะโดยเฉพาะวับทุกข์อะเวทนาไอ้สุขาเวทนาพูดถึงอุเปกขาแล้วนะพูดถึงแต่ถ้าเราผู้ปฏิบัติแล้วท่านวางสุ ข, ขาทุกข์อยู่กับอุเปกห์ คือเพ่งอยู่กลางๆดูเฉยๆมันไม่ได้แปลว่าสุขะทุขะมันหมดไปน่ะมันมีแกพัสสะของพวกนี้มันมนถ้าจิตเราไม่เป็นอย่างนี้นะโอ้หนักไม่ใช่หนักธรรมดาหนักถึงขนาดว่าจิตมันคลองร่างอันนี้ไม่ไดังท้ายมันก็เด้งออกดีดออกจากร่างกายคือรูปนี้น่ะมันก็ไปต่อรูปนี้ก็หมดแล้ว ลมออกไปก็หมดทุกอย่างหมดลมคือหมดทุกอย่างในขณะเดียวกันถ้าจะให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ก็กําหนดที่ลมเช่นเดียวกันอันนี้คือวิธีพอลมมันหมดก็คือหมดแต่ถ้ามายาห้หมดก็กําหนดในขนาดที่ยังมีลมอยู่กาหนดลมใหม่กําหนดได้ลดที่ปลายจมูกลดหายใจเข้าหายใจออกยุบก็ได้พอลองก็ได้ หายใจสติมันก็จะกลับมาหาตัวเองจะพึ่งมปหาตัวเองมันจะอยู่ที่ลมอยู่ที่เพราลมละลมหยาบลมกลางลมละเอียดอลมหยาบมันใช่ไม่ได้พวกมันไม่มีแรงแล้วแต่ลมกลางมันยังใช้ได้ลมละเอียดมันยังมีอยู่คืหายใจนี่เดียวใจเบาเดียวมันก็สร้นไวทุกร่า ง, ง, งกายแต่ของคนนี้เราจังกำหนดไม่ได้กำหนดเป็นอืม ทุกข์ก็มาเยือนรัตทุกยังบอกทุกเป็นของที่เราต้องกําหนดหรู้นี่เขาหมายคาว่าทุกข์แต่เวเราเกิดขึ้นเราอยากละมันน่ะคือไม่อยากให้มันมีอันนี้ภาพของคนที่ไม่ปฏิบัติคนก็จะผิดเมื่อมันละไม่ได้มันไม่เป็นอย่างได้เขาบอกทุกขะตามมาทุกข์ะและก็เวตนาใช่มันบอกว่าทุกขะเวทะนองประเขื่อเดียวกัน จริงมันก็คือตัวทุกข์แหละเวทาวนาแปลว่าเสวยทุก ข, ขวเวทนาสเสวยทุกขมันสุขเวทนาสวยสุขอุเบกเวทนาเสวยตัวนี้เป็นประการกลางถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นีนนดเดียวหน่อยก็ไม่อยานึกเวทนาเวทนานี่หมายถึงทุกขเวทนาแต่สุขเวทนากับตทุกขคนต า, ตาที่มันก็ไม่ต่างอะไรกันเลย มันทำอะไรเป็นโมหะก็หลงด้วซ้ำไปแต่อุเปกขาเวทนานะมันจะเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นะเป็นเข้าใจมิงานไม่มีทางเข้าใจจริงเลยเนี่ยหลังกันนั่นคือตัวที่สองตัวแรกคือรูปตัวที่สองกเวทนาบอที่บอตัวนะี้คือตัวรู้สึกรู้สึกสุขคือรูสึกสุรู้สึกเฉยเฉยแต่คำว่ารู้สึกมันแค่รู้สึกเฉย แค่ okay, รู้สึกที่มันรู้สึกกันนะเพรามันเกิคกับจำคือสัญญ า, ยา ม, มันจําว่าอย่างเนีน้เรียกว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาการจําเสร็จแล้วก็ไปคิดคือปรุงปรุงเสร็จแล้วมันก็รับรูบร้นะแล้วก็วางไม่ได้นะกลับมาที่เดิเนี่ยคือนี่คือวงการของมันถ้าเราไม่เรียนรู้ตป๊หนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, ซึ่งมีห้าเรื่องห้าตัวห้าอย่างเพตอะ น, นั้นเองิง ก็ไม่มีทางที่จะแก้ขันห้าตีได้ต้องนั่งยังไงก็มองไม่เห็นพี่ยานายก็บองไม่เห็นเมืเนอนนเนื้อคำว่าขันห้าม่าจงเป็นเป้าหมายหลักการปฏิบัติขอดราต้องการเข้าใจก่อนเข้าใจสินน่งนนี้แล้วก็ลงมือก่อนนี้เข้าใจก็คือความจำใช้ความจำก่อนแล้วค้นหาความจริงใยการปฏิบัติ ปานั้นต้องแยกออกความจำเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็จะอยู่ได้ทั้งสองด้านคือใช้ทั้งความจำแล้วก็ความจริงครบประเด็นอย่างนี้ที่ครูจะสอนกคืออันนี้ความจริงก็คือสัจจานั่นแหละแสดง ว, ว่าเราเข้าถึงสัจจเข้าถึงความจริงแล้วรู้ความจริงแล้วคนที่รู้กับจริงนั้นคนฉลาดเมื่อคนฉลาดมันต้องมาทําตัวอย่างเดือดร้อน ถอนกินละถอนปล่อยวางสิ่งที่ยึดสิ่งที่ถือสิ่งที่แบกเอาไว้ที่เราคิดเอาไว้พูดเอาไว้ทําเอาไว้นั่นเองจึงเรียกว่าอุปาทานเอาาเพราะเข้าใจกันห้าอย่างนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดทุกมันก็น่าจะทุกน้อยลงเพราะเราเข้าใจมาให้มันไม่มีทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้เพราะมีนขันห้าอยู่มันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แต่ว่า มีความทุกข์แล้วให้เรารู้ว่าอันนี้อันนี้นคือทุกขเวทนาคือเสวยสวยทุกขเวทนาทุกขเวทนามันไม่ได้เกินอะไรกับใจเพราะใจหรือว่าจิตอันนี้มันไปยึดไปถือเอาไว้มันไม่เปอิสระจิตมันม่เป็นอิสระเพราะสียงเหล่านี้เนี่ยความไม่ฉลาดเกิดขึ้นนี่คือคำว่าจิตลนุลนลนจิตมันไปใจสียงนี้เพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติก็คือสตินั่นแหละ กรบมะที่เดิมก็มาฝึกสติเหมือนเราพิจารณาสอบสวรรค์ก่อนก็มีคนถามหลากหลายอย่างหรือพิจารณาพิจารณาเขาบอกมันมันก็เริ่มเข้าใจเริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าใจแต่สุดท้ายมันก็ล้ามันก็เหนื่อยอมมันก็ไม่แปลกเหมือนร่างกายของเราจิตก็เมือนก็ร่างกายร่างกายเราใช้เราทํางานเยอะทำงานทั้งวันอนะ่ะโดยไม่พักผ่อนเลยก็ร่างกายคือไม่นั่งไม่นอน ทำทั้งวัน่ะร่างกายมันก็อ่อนมันก็เหมือนกันจิตเราก็เช่นเดียวกันใช้มันพิจารณาแต่กําลังมันจํากัดมันก็อ่อนมันก็ล้าพิจารณายังไงมันก็เบื่อต้องให้มันพักแต่ว่าพักของมันคือสมาธิคําว่าจิตไม่ได้นอนเฉยเฉยเหมือนร่างกายไม่ได้พักเฉยเฉยเหมือนร่างกายเคาว่าพักก็เขาคือสมาธิเพราะนั้นก็สลับกันไปอย่างนี้ ก็อทั้งพิจารณาจะเนื่แล้วก็พักพักคือสมาธิอันตัวตัดตัวตัดอารมณ์ทําให้ใจเรามีกําลังมีพลังขึ้นมาอีกก็พิจารณาต่ออย่างนี้เพราะนั้นการอ่านที่เรานั่งชั่วโมงสองชวงสามชั่วโมงก็แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้แต่คิดได้แล้วก็ทําได้ด้วยนะชั่วโมงสองชั่วโมงมแป๊บเดียวไม่นนานอะไรเลย พอเราไปอยู่กระบวนการกับความคิดอันนี้เราก็ไม่อยู่กับเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยคือปวดแข้งปวดขาพูดงีพ้พอเราเมื่อปวดแข้งวันใดก็ให้เราเพีเ อ, อเ่ยมันแคบมันก็คือเวทนามันมาเดี๋ยวมันก็ไปตามหลักของใจรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราจิตเราลืมพิจารณากลับไปอยู่ที่เวทนาคือจิตเอาไปจับตรงนั้นะไปโฟกัสตรงนั้น มันก็อยู่ที่เแต่ในสุดท้ายก็ทนไม่ได้นั่นคือว่าทุกปริยปริเปลี่ยนอริยบทะทุกมันก็หายจริงจมันไม่ได้หายจะแต่มาผ่อนกลายเดี๋ยวมันก็มาอีกนะคนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้มันไม่ได้หายมันไม่ได้หายไปไหนโดยจะเป็นยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามถ้าเราคิดอย่างนี้ในชีวิตประจำวัน่ะมันก็เท่ากับการพิจารณาทุกวันยืนเดินใช่อารมณ์อย่างนี้ พิจารณาเราก็จเห็นตามความเป็นจริงอย่าไปคิดมังไม่ได้อะไรอย่างน้อยที่สุดก็เอาสิทเป็นตัวตั้งแในขณะที่เราคิดอย่างนี้ยืนเดินนั่งก็ตามกายวาจาขอเราไปแสดงออกไปทางไหนมันเป็นสิ่งพันทีเลยมันคืออนิสงค์มันมีอนิสงค์พันทีที่ซึ่สมาธิจดจ่อถึงมันไม่สงบแต่ว่ารวมหรืออยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งกับสิ่ะนั้นมันก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่ง แม้จิตไม่สงบก็ตามมันก็เป็นรูปหนึ่งแต่ถ้าเราสงบด้วยแล้วก็คิดได้ด้วยคือเกิดปัญญาด้วยจะครบเลยคือศีลสมาธิปัญญาครบแล้วมาอบรมจิตจิตมันคิดดีคิดไม่ดีมันจะได้บอกมันว่าคิดอย่นี้ไม่ดีพูดอย่างนี้นม่ดีทำางน้ไม่ดียังเรื่ออบรมเอาไว้เอาเอาโวนีิยมอบรมจิตนะจิตมันก็ฉลาด มันก็มีปัญญาครับอุรงโอมันคิดได้โดยตนเองอย่างเนี้เรื่องปัญญาเพราะนั้นที่เราทําอยู่ทุกวั น, นปัญญาในการนึกอย่างนี้ทุกวันเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจกับตัวเองอย่างน้อยยึกก็คือพระันตนใจต้องเป็นหลักหยึดเหนียวออเป็นหลักในแต่ละวันต้องไม่ลืมว่าอันนี้คือพื้นฐานของจิตที่จะไปต่อข้างหน้าถ้า ไม่มีเสี่งเหล่านอยู่ในกระบวนการของของคิดมันเป็นไปได้ยากที่กลับมาอย่างนี้สาวพวกของผู้เจ้าทุกพระองค์ทุกคนทุกคนคือกราว اة าถ้ามีแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันในแต่ละพบแต่ละชาติเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะครบบ้ากแล้วเขา บ, บ้างเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พระทรัศน์ใจต้องอยู่ในกรอบของคิดศีลต้องอยู่ในกรอบของคิดที่หมจะ บางช่วงอาจจะไม่มีบางช่วงอาจจะสมบูรณ์ไม่รูแต่ต้องมีถ้าไม่มีกลับมาเป็นคนไม่ได้มาเป็นผู้เป็นคนไม่ได้เพราะนั้นสาวกของผู้เจ้าทุกพระองค์ทุกค น, กคนมีแนวปฏิบัติไม่รู้กี่พบกพี่ทราบกับกันเป็นอย่างนีสแสดงว่าอันนี้คือหลักประกันหลักประกันของชีวิตของพวกเราหลักประกันก็แปลว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ ในชีวิตประจำวันทุกวันนี่คือหลักประกันว่าเราจะไม่ตกต่ำไปกว่านี้แน่นอนเราจะมาการเหมือนเดิมเพื่อต่อยอดสร้างความดีแล้วก็จะเจอกว่าอาจารย์ที่ดีถูกจริตถูกทิ่สัยไม่ชวนไปทางไหนก็ไม่รู้เราจะไม่หลงทางคนง่าง่ยเนี่ยอันนี้คืออ น, นสงพงก็เป็นกาลังใจให้เราทุกคน ช่วงเยอเวลาที่มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างตามหน้าที่ตามการงานถือว่าข้างนอกกองร่างกายของเราเนาะให้แต่ละคนถือว่าทําหน้าที่เหมือนกับตาหน้าที่มันคือเห็นโอหหน้าที่มันคือฟังมีเป็นตน้นจะโบกมีที่มันหายใจเราเป็นคนเป็นลูกเวลาทําหน้าที่ของลูกของหลานของสิทธิ์อันนั้นคือหน้าที่ของเราเนะตัวจะทําได้ดีมากดีน้อยเป็นเรื่องหนึ่งแต่ เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆเลยถือว่าเราทําหน้าที่แล้วมันจะดีที่สุดหรือไม่กับอีกเรื่องหนึ่งเหมือนที่เราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราปฏิบัติทุกวนันสม่าเสมอมันจะได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ต้องไปกังวลว่าที่ทำน่ะบรรได้แน่นอนส่วนจะได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งเตดได้แน่นอนเนี่ยเราก็จะเคยความ ภูมิใจความดีใจเกิดปิติในความดีของพวกเราเนะความดีอันนี้แหละจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราในหะ้ชุมชื่นบุบางเราจะไม่ไม่ทําที่เป็นอกุศลนะก็จะนึกถึงพอเราจะทําที่เป็นอกุศ ล, ลก็จะนึกถึงดดอุตตจ้าพระธรรมพระอริยสมนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนะเราจะไม่แค่ทําทในสิ่งที่มันไม่ดี่ยนะต้องราคาตระคูลที่ ไม่มีความคิดอยู่ในสมองเลยอยากทำแล้วก็ทำจะพูดแล้วก็พูดอย่างนี้นนคือความแตกต่างเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนคนวัดคนวาลูกศิษย์หาครูบาอาจารย์เราก็เป็นในมีแวนวแนวนึกแนวปฏิบัติก็ขอใหาเราทั้งหลายได้เดินทางต่อไปบนเส้นทางนี้จะเดินเร็วเดินช้าไม่เป็นไรไเรื่รงปกติเรื่องธรรมาขอให้เดิน นันชัานฐานี้บ่อยๆทุกวันทุกวันวันหนึ่งเป้าหมายก็จะแห้เข้ามาวเข้ามาพบชาติเขาเช่นเดียวกันก็ตั้งเป้าหายไว้ตั้งเรมาไว้ว่าให้พบชาติให้มันเรือ น, นอ้อที่สุดทําได้ไม่ได้ไปเรื่องหนึ่งขอให้มีเป้าหมายก็ใ ห, ยให้มีตั้งไว้ในใจเลยว่าอย่างนี้ยจะเป็นเป้าหมายในจิตจิตมันก็จะมีเป้าหมายขอเราองกระลาษให้ถึงเป้าหมายนั้นโดยทั่วกันทุกท่านเทูน